ทรงปราลบภิกษุณีจันดกาลีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีจันดกาลีร้องไห้ทุบตีตนเองในสิกขาบทที่สินั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานเป็นธุระนิเคปะสมุดฐาน ละรัตตันทะการวัตคที่สองจบ